พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ญาติพี่น้องให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานท่านได้บรรลุแล้วซึ่งสุขใดอันประณีตมั่นคงไม่เจือด้วยทุกข์ก็ปรารถนาชักจูงญาติพี่น้องมาสู่ความสุขนั้นด้วยเมื่อท่านได้บวชในธรรมวินัยอันประเสรศิฐขัดเกลายางยิ่งและเป็นไปเพื่อ น, นำสัตว์ออกจากทุกข์แล้ว น้องของท่านห้าคนเป็นน้องหญิงสามคนคือจาราอุปจาราศีสุปจาราและน้องชายสองคนคือจุนทะและอุปเสนะได้ออกบวชตามคำแนะนำของท่านเหลือน้องชายอีกคนเดียวที่ยังไม่ได้บวชคือเรวตตะกุมารตลอดเวลานั้นมารดาของท่านยังไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนา การที่พระสารีบุตรนําลูกหญิงและลูกชายถึงห้าคนไปบวชรวมเป็น6ทั้งองค์พระสารีบุตรด้วยนั้นก่อความสะเทือนใจแก่นางไม่น้อยอยู่แล้วเพราะนางยังมองไม่เห็นคุณค่าของการออกบวชดํารงชีวิตอยู่อย่างลําบากยากจนลําบากในสายตาของนางแต่เป็นความสุขสงบเยือกเย็นในความรู้สึกของท่านที่ได้บวชแล้วแต่นางหาได้มองเห็นคุณอันประเสริฐ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 ความเป็นอยู่อย่างบรรเชิตซึ่งต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นประเสริฐอย่างไรนางยังมิได้สัมผัสกับแสงสว่างทางใจอันเป็นประทีปสองทางชีวิตทำให้ชีวิตมีความหวังอย่างเต็มที่ไม่ว้าเหวด้วยเหตุดังกล่าวมานางจึงปรารถนาจะผูกเลวตกุมารไว้ด้วยการครองเรือนอะไรเล่าจะสามารถผูกใจชายได้เท่าเครื่องผูกคือหญิง รูปเสียงกลิน่นรสและสัมผัสแห่งหญิงนั้นเป็นตะปูตรึงใจชายให้ติดอยู่มกมุ่นอยู่ผัวพันอยู่ยากที่จะสลัดออกไปได้เมื่อเรวัตกุมารอยู่ครองเรือนก็จะเป็นผู้รับมรดกทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของนางมิให้พินาศสูญสิ้นไป วันหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านมารดาได้ป่ารบเรื่องจะให้เรวัตโุมารแต่งงานกับกุมาริกาคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์และตระกูลเสมอกันเรวัตพึ่งอายุเจ็ดขวบทำไมยโยมมารดาจึงรีบให้แต่งงานนักพระสารีบุตรถามปล่อยไว้นานท่านก็จะพาไปบวชซีอีกโยมต้องการให้เรวัตอยู่ครองเรือนมารดาของท่าน ตอบมีอาการกังวลใจอยู่ไม่น้อยพระสารีบุตรแย้มโอทหน่อยหนึ่งก่อนพูดว่าการครองเรือนมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากกังวลมากสุขที่น้อยอยู่แล้วนั้นยังเป็นสุขปลอมซิอีกเป็นอย่างไรสุขปลอมโยมไม่เข้าใจคือความสุขที่เจือด้วยทุกข์ไม่ปลอดโปรง่งไม่อิสระจบลงด้วยความขับแค้นเสียใจแล้วสุขอย่างไรเป็นสุขแท้ไม่ปลอม สุขอย่างที่อาตมาและน้องๆ อ, อีกห้าคนได้รับอยู่นี่แหละเป็นสุขแท้ไม่ปลอมไม่กังวลไม่ลงท้ายด้วยทุกข์แต่โยมไม่ต้องการความสุขอย่างนั้นและไม่ต้องการให้เรวัตเดินไปทางนั้นโยมต้องการเห็นเรวัตครองเรือนมีความสุขอย่างคนมีเย่ามีเรือนมิฉะนั้นแล้วทรัพ ส, สมบัติที่ตระกูลของเรารวบรวมสะสมไว้ก็จะสูญหายไปหมดใครจะรับมรดก คนที่จะรับมรดกมีมากมายถ้าเราจะให้เขาคนยากจนเข็นใจในเมืองนี้ก็มีอยู่มากล้นถ้าโยมจะบริจาคทรัพย์สินที่โยมบอกว่ามีอยู่มากมายให้แก่คนอนาถาที่มีอยู่ทั่วไปสมบัติเท่านี้ก็จะไม่เพียงพอด้วยซ้าไปเรื่องอะไรจะต้องไปให้เขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากต้องให้กับคนที่เรารัก และพอจะเป็นที่พึ่งของเราได้อตมาได้ยินโยมพูดนักใจเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติด้วยเกรงจะไม่มีผู้รับมรดกจึงได้พูดไปอย่างนั้นอันที่จริงทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นของที่อาศัยใช้ชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอะไรบางอย่างก็จากไปก่อนบางอย่างเจ้าของก็จากมันไปเมื่อตายแล้วก็นาติดตัวไปไม่ได้มันเป็นของโลกต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ ใครเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวโดยที่สุดแม้อวัยวะร่างกายอันเป็นที่ห่วงแหนเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ญาติพี่น้องเผาในกองเพลิงพร้อมด้วยการร้องไห้คร่ำครวญร่างกายและทรัพสมบัติภายนอกไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ คุณงามความดีแม้พระธรรมเสนาบดีจะชี้แจงอย่างไรมารดาของท่านก็หานิยมคล้อยตามไม่ยังคงรักษาความคิดและทิฏฐิของตนไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง จริงทีเดียวนักปราดผู้ประกอบด้วยปัญญาอันแหลมลึกกว้างขวางเป็นที่ยอมรับนิยมเลื่อมสายของคนทั่วไปพูดจาอะไรก็มีคนคอยจำคอยจดคอยเงี่ยโสดลงสดับเสมือนหงายภาชนะไว้รองรับน้ำฝนอันรู้ว่าจะตกลงมาเป็นเพชรนินจินดาแต่เป็นการยากเหลือเกินที่จะให้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีความรู้สึกเช่นนั้นไปด้วยเมื่อเห็นว่า ไม่อาจชักนำมารดาให้นิยมตามตนได้แล้วพระธรรมเสนาบดีก็ลาจากไปและได้สั่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหธรรมิกว่าถ้าเรวัตกุมาร น, น้องชายของข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชมหาท่านทั้งหลายก็ขอให้บวชได้ทันทีไม่ต้องคอยให้ลามารดาบิดาขอให้ถือว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นทั้งมารดาและบิดาของเรวตกุมาร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 จึงถามขึ้นว่าคนไหนคือยายของกุมาริกานี้ญาติแนะนำหญิงชาราคนหนึ่งให้เรวัดรู้จักพร้อมกล่าวว่าหญิงชารานี้เป็นยายของเด็กหญิงท่านมีอายุได้หนึ่งรอยี่สิบปีแล้วบัดนี้ฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหย่อนยานตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนก็กุมาริกาคนนี้เล่าจะเป็นอย่างคุณยายหรือ เรวัตถามด้วยสงสัยอยากรู้ญาตอบว่าถ้ามีอายุยืนนานถึง120ปีก็ต้องเป็นอย่างนี้เรวัตกุมารคิดอย่างเด็กฉลาดและมีบา ร, รมีในทางธรรมว่าสรีระแม้ที่สวยงามเห็นปานนี้อย่างกุมาริกานี้ย่อมแปลผันไปสู่ความไม่งามพึงรังเกียจในที่สุดเพราะไฟคือชราเผาให้ไม่เกรียม ดูดใบไม้สดในเบื้องแรกแปลเป็นสีเหลืองแล้วหล่นจากต้นถูกแดดแผดเผาให้เกรียมกรอบโดยรอบเป็นของอันใครๆจับต้องไม่ได้เป็นปริโยสารอา่าชีวิตชีวิตช่างหน้าสังเวชสลดใจเสียนีกระไรอุปติสสะพี่ชายของเราคงจักเห็นความจริงเรื่องนี้เป็นแน่แท้แล้วจึงสละทรัพย์สินสมบัติออกบวชยังไม่อาลัย เราควรหาอุบายออกบวชเสียในวันนี้แหละเพราะแม้สรีระของเราเองก็ต้องลงท้ายด้วยความแก่และตายเมื่อเสร็จพิธีแล้วญาติได้อุ้มเรวัดขึ้นสู่ยา น, น้อยพากลับบ้านของตนเรวัดหาอุบายได้อย่างหนึ่ง เมื่อเดินทางมาได้หน่อยหนึ่งจึงบอกญาติว่าตนปวดท้องขอแวะลงทาธุระส่วนตัวขอให้หยุดยานไว้และรอคอยเขาลงจากยานแล้วเข้าไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งทำชักช้าอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกลับมาสู่ยานเดิมเขาทำอย่างนี้บ่อยครั้งจนญาติพี่น้องสิ้นสงสัยนอนใจว่าเรวัตช่างขยันไปขยันมาสีจริงจึงเลิกระวังรักษาครั้งหลังสุด เรวัตลงจากยานแล้วบอกญาตว่าขอให้ขับยานล่วงหน้าไปก่อนอีกสักครู่จะตามไปญาตผู้สิ้นระแวงแล้วจึงขับยานล่วงหน้าไปเรวัตได้โอกาสจึงเดินเข้าไปในป่าพบสำนักสงฆ์ซึ่งมีภิกษุพำนักอยู่ประมาณ30สรูปเข้าไปไหว้ท่านแล้วขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นเธอประดับประดาด้วยสันภา พ, พรอันสวยงามมีราคามากจึงว่า หนุ่มน้อยท่านประดับประดาเครื่องอลังการพร้อมสรรพอย่างนี้พู้ขพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของมหาอมาัมมัดจะให้ท่านบวชได้อย่างไรพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจากระผมไม่ได้หรือไม่รู้จักเลยพ่อนุ่มกระผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสัอุปติสะคือใครท่านทั้งหลายเรียกท่านอุปติสพี่ชายของกระผมว่า สารีบุตรสารีบุตรดังนี้อ๋อถ้าอย่างนั้นมาเถิดผู้มีอายุพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสั่งไว้เหมือนกันว่าถ้าท่านมหาเราขอให้บวชให้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตมารดาบิดาพิสุท์ทั้งหลายให้เรวัตบรรพชาเป็นสัมเณีโดยการให้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรยัยรับศีลสิบและบอกตะจะปัญจกกรรมฐานให อันต่จปัญจกะกรรมฐานนั้นคือกรรมฐานซึ่งมีหนังเป็นที่ห้ากล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้โดยความเป็นปฏิกูลพึงรังเกียจโดยในเป็นต้นว่าอวัยวะซึ่งเห็นได้ง่ายทั้งห้าส่วนนี้ปฏิกูลโสโครกอยู่โดยสภาพธรรมดาผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สาคัญตนว่าเป็นเจ้าของ จึงต้องชำระล้างหรือขัดถูวาละหลายๆายครั้งเพื่อกำจัดความปฏิกูลโดยสภาพธรรมดาของมันถ้าวันใดไม่ได้ชำระล้างก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพึงรังเกียจแม้เจ้าของเองก็ระอาตัวเองผมก็ตามหนังก็ตามตที่ปุถุชนเห็นสวยงามนั้นพอส่วนใดส่วนหนึ่งหล่นลงไปในอาหารหรือน้ำดื่มก็รังเกียจไม่ดื่มกินอันหนึ่งที่เห็นสวยงามก็เพราะราคา ความกำนัดยอมใจให้เห็นผิดไปอย่างนั้นร่างกายนี้โดยทั่วๆวไปเป็นของหมักหมมด้วยสิ่งปฏิกูลนานาประการตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาจะหาอะไรสะอาดสักชิ้นหนึ่งก็ไม่มีร่างกายมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเพียงเพื่อปกปิดน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเออบาบอยู่ทั่วร่างกายกายนี้จึงมีความสุดโมเป็นธรรมดาในที่สุดก็แก่และตาย สุดจะแก้ไขอีกต่อไปคนที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนั้นไม่มีการประคับประคองกายนี้ไว้จึงเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขาวางมือไม่ได้วางเมื่อใดครกก็กลิ้งลงทันทีร่างกายนี้ก็เหมือนกันอยู่ได้ด้วยการประคับประคองจึงน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักสามเณรไรวัดมีใจโน้มเอียงในทางนายโลกีเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อได้ฟังโอวาทของท่านอุปชาดังนี้ก็เพิ่มแรงแห่งความปรารถนาที่จะสลัดตนให้พ้นภัยแห่งกันดารคือความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นเปรียบเสมือนน้ำที่พบทางไหลอันไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นเมื่อพิสูจทั้งหลายได้บันพชาให้สมเนรเรวัดแล้วก็ส่งข่าวไปกราบเรียนให้พระสารีบททราบ พ, พระธรรมเสนาบดีพอใจยิ่งนักที่น้องชายคนเล็ก ก้าวลงสู่มคาอันประเสริฐเพื่อเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านทูลลาพระผู้มีพระภาคขอไปเยี่ยมสามเณรน้องชายพระพุทธองค์ผู้มีอนาคตังสยานอันแจ่มใสทรงมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเสมือนบุคคลผู้มีตาดีทั้งสองข้างมองดูตนเองในกระจกใสทรงยับยั้งพระสารีบุตรไว้ว่าสารีบุตรท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนเถิดอย่ารีบไปเลย อีกสองสามวันต่อมาพระอัครสาวกเบื้องขวาทูลลาอีกพระาศาสดาทรงยับยั้งไว้อย่างเคยพร้อมกับตรัสว่าสารีบุตรคอยก่อนเถิดแม้เราก็จะไปเยี่ยมสามเณร น, น้องชายของท่านเหมือนกันฝ่ายสามเณรคิดว่าเราบวชแล้วถ้ายังพำนักอยู่ที่นี่ต่อไปญาติพี่น้องคงต้องมาตามหาและนำเรากลับไปสู่เรือนอีกจึงตัดสินใจจะหลีกจากที่นั้น ไปเร้นอยู่ในป่าลึกเมื่อแน่ใจดังนี้แล้วก็ขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปาาตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าลึกเป็นป่าไม้สแกนั่นเองพยายามทำความเพียรติดต่อมอบกายมอบชีวิตให้แก่การปฏิบัติธรรมได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในพรรษานั่นเอง การประพฤติธรรมการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับอายุแต่เกี่ยวกับบารมีผู้มีบารมีแม้อายุน้อยก็มีธรรมในใจมากได้ส่วนผู้ไม่มีบารมีแม้อายุมากแล้วมีเหรนแล้วผมงอกแล้วงอกอีกก็หาได้สนใจทำไหมอย่าพูดถึงว่าจะบรรลุธรรมเลยในศาสนานี้ผู้ใดบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้ว แม้ยังเป็นสัมมเนนท่านก็เรียกกันว่าเทระโดยถือเอาคุณธรรมเป็นเกณฑ์เมื่อออกภรรษาปรวราณาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระาศาสดาอีกพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จักไปที่นั่นเหมือนกันครั้งนั้นมีภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยตามเสด็จเมื่อเสด็จไปถึงทางสองแพร่งพระ อ, อนุนกราบทูลว่าพระเจ้าข่า ทางที่จะไปยังสำนักของพระเรวัตนั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมเป็นระยะทางประมาณหกสิบโยต์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายทางหนึ่งตรงประมาณสามสิบโยต์เป็นที่อยู่ของอมนุษย์อันอมนุษย์คุ้มครองแล้วจะโปรดเสด็จไปทางใดพระสากยมุนีตรัสถามว่าอานนท์สีวลีมากับพวกเราด้วยมิใช่หรือมาด้วยพระเจ้าข้า อาน o ถ้าศิวลีมาด้วยก็ขอให้ไปกันทางตรงนี้แหละอันพระศิวลีนั้นได้รับยกย่องจากพระทศพลว่า เป็นสาวกผู้เลิศกว่าใครในทางมีลาบเพราะบุญบารมีแต่ปางบรรแต่ด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมบางอย่างทำให้ท่านต้องอยู่ในคันของพระมารดาถึงเจ็ดปีพระมารดาปวดคันอยู่เจ็ดวันดังกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นอกุศลกรรมนั้นคือสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นพระราชายกกองทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้ประชาชนของนคร น, นั้น ได้อาศัยประตูหลังออกไปหาข้าวหาฟืนและบริขารแห่งชีวิตอื่นๆจึงสามารถรักษาพระนครไว้ได้เป็นเวลานานต่อมาพระราชชนนีของพระราชาจะทราบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจึงบอกพระราชาราชโอรสว่าชาวนครอาศัยประตูเล็กด้านหลังเข้าออกหาเครื่องเลี้ยงชีพถ้าหวังใช้ชนะในเร็ววันก็ให้ปิดประตูหลังเสียด้วย พระราชาจึงให้ปิดประตูหลังแห่งนครนั้นเสียประชาชนไม่มีทางออกต้องประสบความลําบากด้วยการขาดแคลนข้าวน้ําพระราชาจึงสามารถยึดเอานครนั้นได้สมพระประสงค์พระราชาผู้ยกกองทัพไปล้อมนครในครั้งนั้นคือพระศิวลีนั่นเองส่วนพระมารดาของพระราชาในครั้งนั้นคือพระมารดาของพระศิวลีในการนี้ ไฟกุศลกรรมอันอํานวยผลให้ท่านเป็นผู้เลิ่อด้วยลาบมีดังนี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับยกย่องจากพระาศาสดาพระองค์นั้นว่าเป็นผู้เลิ่อด้วยลาบได้รับการแต่งตั้งจากพระาศาสดาให้เป็นเอกทักขะในทางเลิศด้วยลาบท่านปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงทูลอาราธนาพระปทุมมุตระ ทสพลแล้วถวายมหาทานตลอดเจ็ดวันตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าต่อไปในอนาคตขอให้เป็นผู้เลิ่ด้วยลาบเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นเอกทคะในทางเลิ่ด้วยลาบนั้นพระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูความเป็นไปของทายกผู้นั้นแล้วไม่ทรงเห็นอันตรายหรืออุปสรรคใดๆในความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรว่า เขาจะได้ตําแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคดมในอนาคตต่อมาอีกในศาสนาของพระวิปัสสีทศพลบุรุษผู้นั้นหลังจากท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานแล้วมาเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพันธุ ม, มดีราชธานีสมัยนั้นพระราชาแห่งพันธุ ม, มดีและประชาชนชาวพันธุ ม, มดี ต่างเตรียมถวายมหาทานและถวายแข่งกันโดยการจัดขาธินีโพชเนียอาหารอันประณีตให้มีประเภทคุณภาพและปริมาณที่เท่ากันหรือยิ่งกว่าวันหนึ่งเป็นวาระของชาวนาครที่จะถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขประชาชนตรวจทายธรรมของตนแล้วเห็นว่ายังขาดน้าพึ่งอยู่จึงให้คนไปคอยดักอยู่ปากทาง ที่คนจากชนบทจะเดินทางเข้ามายังพระนครทุกด้านครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งออกจากบ้านมองหาที่เดินเล่นนั่งเล่นอันผาสุขสำหรับตนได้เห็นรวงพึ่งรวงหนึ่งโตพอประมาณสวยงามเขาคิดว่าเป็นบุญของเราแล้วจึงถือเอารวงพึ่งนั้นเดินเข้าไปยังนครผู้ซึ่งมายืนคอยดักอยู่ปากทางเห็นบุรุษนั้นเดินถือรวงพึ่งมา จึงถามว่าจะนำรวงพึ่งไปให้ใครไม่ได้นำไปให้ใครเขาตอบจะนำไปขายหรือบุรุษนั้นถามขายเราเถิดนี่เงินว่าแล้วก็ส่งเงินให้จำนวนมากมากกว่าราคาของรวงพึ่งที่เจ้าของรวงพึ่งคาดหมายเขาจึงคิดว่ารวงพึ่งนี้ราคาไม่เท่าไรแต่ชะไหนคนผู้นี้จึงให้กัหาปณ ะ, ะแต่เรามากเกิน เราน่าจะทดลองดูเท่านี้ไม่ขายเขากล่าวท่านจะเอาสักเท่าไรสิบกะหาปะนะเอาไหมไม่ได้เอา้าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขึ้นให้ท่านถึงร้อยกะหาปะนะไม่ได้เขายืนยันพันหนึ่งบรุษผู้นั้นขึ้นราคาให้อีกเขาสงสัยเป็นกำลังจึงถามว่าบรุษผู้เจริญรงพึ่งนี้ราคาจริงๆก็ไม่เท่าไร เหตุไรท่านจึงให้ราคาแก่ข้าพเจ้าถึงหนึ่งพกะหาปันะบรุษผู้นั้นได้เล่าความจริงให้เขาฟังทุกประการและเสริมว่าชาวนาครจะต้องแพ้ในการให้ทานวันนี้ถ้าไม่ได้น้ำพึ่งของท่านชายผู้นั้นเป็นคนบ้านนอกแต่เป็นผู้มีปัญญารู้จักคิดเขาคิดว่าที่เราเกิดมาลำบากยากจนในชาตินี้ก็เพราะไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีไว้ในชาติก่อน บัดนี้ทายธรรมของเราก็มีอยู่แล้วทักขินเนยบุคคลผู้ประสเสดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแล้วเราควรถวายรวงพึ่งแด่พระาศาสดาด้วยตนเองทีเดียวเขาไม่ยอมขายรวงพึ่งแม้ด้วยราคาเป็นพันกหาปะนะรีบไปยังที่ประชุมถวายทานเขารู้โอกาสอันถึงแก่ตนแล้วเข้าเฝ้าพระาศาสดาน้อมน้ำพึ่งซึ่งบรรจุอยู่ในใบบัวเข้าไปถวาย พร้อมทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดรับบรณาการของคนเข็นใจเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงรับน้ำพึ่งของเขาแล้วทรงอธิษฐานให้น้ำพึ่งที่เขาถวายแล้วนั้นเพียงพอแก่ภิกษุจำนวนพันเมื่อภิกษุสาวกจำนวนเท่านั้นฉันอยู่ขออย่าให้หมดสิ้นไปเมื่อเสร็จพัตกิจ บรุษผู้นั้นถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่ณที่สมควรแก่ตนกราบทูลว่าพระเจ้าข้าด้วยอานิสงส์แห่งกุศลกรรมของข้าพระองค์ครั้งนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิ่อด้วยลาบในภพที่ข้าพระองค์เกิดทุกภพทุกชาติไปพระศาสดาทรงอนุโมทนาบุรุษผู้นั้นท่องเที่ยวอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานาน ในพุทธกาลนี้มาบังเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุปวาสาโกริยทิดาคือท่านพระศรีวลีนั่นเองนี่คือบุพกรรมของพระศิวลีผู้เลิศด้วยลาบในศาสนาผู้มุ่งผลอย่างใดต้องทําเหตุเมื่อทําเหตุแล้วก็ไม่เร่งผลจะให้เมื่อใดก็ช่างเถิดแต่ผลจะให้เมื่อสุกเต็มที่แล้วและเป็นผลอันยั่งยืน พระสีวลีได้ทำบุญกุศลและปรารถนาความเป็นผู้เลอร์ด้วยลาบเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์บัดนี้ผล น, นั้นได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วน่าชื่นใจท่านเป็นผู้เลอร์ด้วยลาบแต่ไม่ติดลาบ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 และที่พักอันสาเร็จด้วยเทวานุภาพนั้นเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ตามเสด็จเทวาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เชา้าถือเอาอาหารมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์เที่ยวไปตรวจดูว่าพระผู้เป็นเจ้าศีวลีของเรานั่งตรงไหนหนอพระศีวลีเถระให้เทวดานำเอาอาหารนั้นๆถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาการอย่างนี้ พระศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้อาศัยบุญของพระศิวลีสเสด็จผ่านทางกันดาลถึงสามสิบยอฝ่ายพระเรวัตเถระทราบว่าพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จํานวนมากรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยกําลังสเสด็จมาสู่สํานักของตนจึงเนรมิต ท, ที่พักจํานวนมากไว้ต้อนรับพร้อมทั้งที่จงกรมเพียงพอแก่จํานวนอาคันตุกะพระศาสดาประทับอาศัยอยู่ณสําสนักของพระเรวัต ในดงไม้สแก่เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงเสด็จกลับราตรีสุดท้ายที่จะเสด็จกลับนั้นตอนใกล้รุ่งทรงแผ่ไายคือพระยานไปตรวจดูอุปนิสัยของเวนยยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงทราบวาร จ, จิตของพิสุบางรูปที่ตามเสด็จมีพระประสงค์จะให้พิสุผู้เข้าใจผิดเหล่านั้นทราบความจริงด้วยตนเองในจานวนพิสุที่ตามเสด็จพระาศาสดานั้น มีพิสุแก่สองรูปนกติเตียนพระเรวัตและพระาศาสดาว่าพระเรวัตมัวทาการก่อสร้างมโหลานอยู่อย่างนี้จะทำสมณธรรมได้อย่างไรกันแม้พระาศาสดาก็เสด็จมาพักอยู่ณนะสำนักของพระผู้ขนขวายในการก่อสร้างเห็นป่านนี้ก็เพราะทรงเห็นแก่นหน้าเห็นว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตร พระตถาคตเจ้าทรงทราบวาราจิตของพิสุแก่ทั้งสองรูปนั้นแล้วในขณะเสด็จออกจากสำนักของพระเรวัตจึงทรงอธิษฐานบันดาลให้พิสุทั้งสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างคือหลอดน้ำมันและกะจันน้ำและรองเท้าของตนของตนไว้เมื่อเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งจึงทรงคลายฤทธิ์พิสุแก่ทั้งสองรูปนั้นจึงระลึกได้พูดว่าผมลืมสิ่งนี้ผมลืมสิ่งนี้ ดังนี้แล้วรีบกลับไปเอาบริขารด้วยความรีบร้อนเลืนเล่อจึงถูกน้ำสแกแทงเจ็บปวดไม่ใช่น้อยพบห่อสิงของของตนแขวนอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งได้ของแล้วรีบกลับไปพิสุจนทั้งสองรูปไม่เห็นเรือนยอดหรือเสนาสะนะใดๆที่ตนอาศัยเลยเพราะเสนาสะนะเหล่านั้นเป็นของเนรมิตเป็นสิ่งที่ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลขึ้นเมื่อท่านคลายฤทธิ์สิ่งนั้นๆก็หายไป ขะกลับพระาศาสดาทรงใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนหนึ่งสเสด็จผ่านทางกันดาลทรงอาศัยบุญของพระศิวลีอีกเช่นกันเวลาสามเดือนที่พระสุคตเจ้าสเสด็จไปสเสด็จกลับและพักอยู่ณนะสำนักของพระเรวทนั้นทรงได้อาศัยบุญบา ร, รมีของพระศิวลีโดยตลอดสเสด็จกลับสู่นครสาวัตถีประทับณนะบุพพารามของวิสาขามิคารมานดา เมื่อถึงเมืองสาวัตถีแล้ววันรุ่งขึ้นภิกษุแก่สองรูปดังกล่าวมาตื่นแต่เช้าล้างหน้าบ้วนปากแล้วคิดว่าจะไปฉันยาคูที่นิเวศของวิสาขาจึงรีบไปแต่เช้าดื่มข้าวต้มที่วิสาขาถวายแล้วนั่งฉันของเขาเคี้ยวอยู่วิสาขาเมื่อคุยด้วยเรียนถามท่านว่าท่านผู้เจริญ ท่านตามเสด็จพระศาสดาไปสำนักของพระเรวัตด้วยมิใช่หรือไปอุบาสิกาที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือรื่นรมอะไรกันอุบาสิกาพระแก่ทั้งสองตอบรกด้วยไ ม, ม้สแกมี้นาขาวพื้นที่อยู่ของพวกเปรตระยะเวลาใกล้ๆกันนั่นเองมีพิสูจนอีกสองรูปมาฉันยาคูที่นิเวศของมิสาขา นางได้ถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตว่าน่าเรื่นรมหรือไม่พระสองรูปนั้นกล่าวว่าน่าเรื่นรมเหลือเกินไม่อาจพรรณนาได้สงงางา ม, งามพระหนึ่งเทวสภาชื่อสุธัมมาเป็นเหมือนอาคารเนรมิตวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาผู้บรรลุโสดาปติผลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนางเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาแหลมคมเมื่อฟังพิสูสองพวกที่ไปด้วยกัน แต่พูดไม่ตรงกันเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุสองรูปพวกแรกคงลืมอะไราไว้กลับไปในเวลาที่พระเถระคลายฤติแล้วส่วนภิกษุสองรูปหลังคงจะได้เห็นสถานที่ตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่คลายฤตินางตั้งใจว่าจะทูลถามพระาศาสดาเมื่อเสด็จมาต่อมาอีกเพียงครู่เดียวพระบรมาศาสดามีภิกษุสอ์แวดล้อมเสด็จมาสู่นิเวศของวิสาขา นางอังคาาพระพุทธองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสเมื่อพระองค์เสร็จพัฒกิจแล้วได้ถวายบังคมและทูลว่าพระเจ้าข้าภิกษุสองพวกที่ตามเสด็จพระองค์ไปสู่สำนักของพระเรวัตพวกหนึ่งบอกว่าที่อยู่รกรุงรังด้วยน้ำสกแกไม่น่ารื่นรมเลยอีกพวกหนึ่งว่ารื่นรมเหลือเกินที่อยู่ของพระเรวัตเป็นอย่างไรหนอพระาศาสดามิได้ตรัสตอบโดยตรง แต่ตราเป็นธรรมนองเทศนาอันกรอบด้วยประโยชน์ว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือป่าที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามพระอระหันต์อยู่ที่ใดที่นั่นก็น่ารื่นรมทั้งนั้นในการอยู่กับคนมากพระอระหันต์ทั้งหลายแม้จะไม่ได้กายวิเวกคือความสงัดทางกายแต่ท่านย่อมได้จิตวิเวกเป็นแน่นอนและอุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั้น ท่านได้เป็นประจำอยู่แล้วได้อย่างเด็ดขาดไม่มีแปรปลวนกำเริบมีความสงบเยือกเย็นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระอระหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดที่นั่นก็รื่นรมเพราะจิตของท่านรื่นรมอยู่ด้วยธรรมอันไม่ทำให้กิเลสฟูขึ้นการฟูขึ้นของกิเลสแต่ละคราวเป็นความเร่าร้อนอารมณ์ต่างๆแม้ดุดทิพย์หรือเป็นทิพย์ก็ไม่อาจทาจิตของพระอระหันต์ให้วันไหวได้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 วันต่อมาพิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันว่าสามเณรเรวัดผู้เดียวแ ท, แท้สามารถทำเรือนยอดสำหรับเป็นที่พักของพระาศาสดาและภิกษุสงจำนวนมากน่าอัศาจรรย์สามเณรเป็นผู้มีลาบมีบุญน่าชมจริงๆ พระบรมศาสดาสเสด็จมาทราบความที่พิสูจ์ทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าพิสุจ์ทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะเธอละบุญและบาปทั้งสองอย่างได้แล้วทรงย้ำอีกว่าผู้ใดล่วงพ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่างคือบุญและบาปได้แล้วเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่โศกปราศจากทุลีคือกิเลสแล้วบริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพราม ทั้งบุญและบาปทำให้บุคคลวนเวียนอยู่ในวัฏฏะท่องเที่ยวอยู่ในภพสามคือกรรมภพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างไม่อาจขึ้นสู่โลกุตรภูมิได้ในระดับหนึ่งบุคคลต้องอาศัยบุญบารมีเพื่อข้ามทางกั nd านคือสังสารวัฏปราศจากบุญบารมีเสียแล้วไม่อาจข้ามได้แต่ทรงแสดงธรรมทั้งหลายในฐานะเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่จุดมุ่งหมาย ดังพระพุทธภาสิต ท, ที่ว่าเราแสดงธรรมไว้ในฐานะคล้ายเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่อธรรมเลยแม้แต่ธรรมเราก็สอนให้ละเสียดังนั้นการกระทําของพระอรหันต์ทั้งปวงอยู่ในภาวะที่เนื้อบุญเนื้อบาปบางทีทรงเรียกบาปว่ากำดำทรงเรียกบุญว่ากรมขาว ส่วนกรรมคือการกระทำของพระอาหารหันต์นั้นเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวในชีวิตของคนสา ม, มัญทั่วไปการกระทำต่างๆมักมีลักษณะสองประการคือได้กับเสีย การได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ทาไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอระหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสเรียบพระอระหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้ว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 ได้รับยกย่องจากพระาศาสดาว่าเลือดกว่าพิสุท์ทั้งหลายผู้อยู่ป่าคือเป็นเอตะทักะในทางอยู่ป่าเพราะธรรมดาพิสุท์ทั้งหลายอื่นผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาถึงความสะดวกอื่นๆเช่นเป็นป่าที่สะอาดเรียบร้อยสะดวกด้วยน้ําสะดวกด้วยโคจรคามเป็นที่พิคขาจานแต่พระเรวัตไม่คํานึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยชอบอยู่ป่ารกครุกระ